สิกขาบทที่สาถามทรงบัญญัติทุกกฎแก่ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อพูดคุยขณะที่ในปากมีคำข้าวในสิกขาบทที่สนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติเกิดด้วยสมุดฐานหนึ่งสมุดฐานคือเกิดทางกายวาจากับจิตไม่ใช่เกิดทางวาจา